กกราบบูชาพระรัตนตรัยประบูชาค ร, รูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนถวายความกรบมายังพระอาจารย์ไพศาลค ร, รูบาอาจารย์พันเตเพื่อนสาตยมิกเจริญ พ, พรมายังคุณแม่ชีแล้วก็นักปฏิบัติธรรมทุกท่านวันนี้เราก็ฟังทำกันท่ามกลาง เสียงฝนเนะาะเมื่อคืนคงจะหลับกันสบายดีเนา ะ, ะวันนี้ก็ตื่นขึ้นมานะด้วยความสดชื่นนะบางคนอาจจะยังงงเงียอยู่บ้างก็ปลุกตัวเองให้ตื่นขึ้นมานิดนึงเนาะพยายามลืมตาขึ้นนะหรือถ้าหลับตาก็ให้รู้สึกตัวเนาะให้ตื่นตัวนิดนึงนะบรรยากาศแบบนี้เนี่ย มันชวนง่วงชวนง่วงชวนนอนอน้อยนะคิดถึงที่นอนเลยนะบรรยากาศแบบนีน้ตรงนี้เราก็ไม่ได้ไปติดกับความสบายาความสบายเนี่ยบางทีมันก็ทำให้เราเอา่อนแอได้เพราะฉะนัน้นการที่เร า, เาปลุกตัวเองให้ตื่ น, นตื่นขึ้นมา ทำกิจวัตรประจําวันนะของที่นี่นะมาไหว้พระสวดมนตนะ์มาฟังทำร่วมกันนะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็เอาไปปฏิบัตนะิไม่ได้ฟังไปเฉยๆนะไม่ได้ฟังไป เ, เพื่อให้มันอพอใจไม่พอใจนะสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังก็เอาลองไปทำํำนะเอาไปปฏิบัติเอาไปทดลอง นะเพื่อที่จะได้เป็นประสบาการณ์หรือเป็นความรูนะ้ติดเนื้อติดตัวไปหนะลวงพระเทียนท่านเคยพูดไว้นะว่าความรู้เนี่ยนะมันมีรู้จำรู้จั ก, ร, จกรู้แจ้งแล้วก็รู้จริงนะส่วนใหญ่เราได้ยินได้ฟังก็ดีอ่านหนังสือก็ดนะีนี่เรารู้จำนะซึ่งรู้จำเนี่ยมันก็ดีนะไม่ใช่ไม่ดนะีเพียงแต่ว่ามัน ยังไม่สําเร็จผลนะท่านอาจารย์พุทธทาสบอกว่าคนเรารู้ธรรมะด้วยการจําเนี่ยนะมันเหมือนข้าวที่ยังไม่ได้หุงนะพันอย่างกินไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราเอาสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยนะไปปฏิบัตินะไปลองไปทำนะก็จะเห็นผลขึ้นมาซึ่งผลของการปฏิบัติเนี่ยนะมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคิดก็ได้นะอย่างหลายคนเนี่ย นะมาตั้งใจมีความศรัทธานะที่จะมาเรียนรู้มาฝึกฝนตนเองนะก็คิดว่ามาแล้วมันจะได้ความสงบนะมันจะได้ความสบายนะมันจะไม่ต้องคิดอะไรนะความทุกข์มันจะหายไปเลยนะ <c ười> บางคนก็คิดอย่างนั้นแต่เป็นยังไงล่ะมาแล้ววันแรก <c ười> ไม่เป็นอย่างที่คิดเลยใช่ไหมโอ้ย ให้มาเดินจงกรมทั้งวันให้มาสร้างจังหวะทั้งวันมันปวดมันเมื่อยใช่ไหมโอ้ยมันปวดมันเมื่อยไม่เคยปวดเมื่อยขนาดนี้เลยนะมันง่วงโอ้โหมันง totally ่วงที่ส newspaper 네ุดในโลกเลยนะวันแรกนี่หลายคนบอกโอ้โหมันไม่เคยง่วงขนาดนี้เลยนะแต่แปลกนะตอนเราฝึกเนี่ยมันง่วงนะแต่ตอนไปนอนเนี่ยมันไม่ง่วงมันไม่หลับเออมันก็แปลกนะมันแปลว่าอะไรนะก็คือตรงนี้เนี่ย เรนะเรียกว่าเรายังไม่รู้จักปละไกของมันนะยังไม่รู้ยังไม่ได้จัดระเบียบมันถึงเวลานอนนะมันไม่ยอมนอนเพราะมันไปคิดไปฟุ้งซ่านคิดต่างๆนาะนาะยิ่งเรามาอยู่วัดป่ามันมืดนะบางคนไม่คุน้นกะ็ ora, คิดไปต่างๆนาะนากลัวนั่นกลัวนี่บางคนก็แปลกที่แปลกทินก็นอนไม่หลับ วันแรกๆอาจจะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมบางคนนะแต่บางคนส่วนใหญ่ก็อาจจะหลับดีหลับสบาย น, า น, นี้เรียกว่ามีศิลปะนนในการใช้ชีวิตเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย <c oughs> สิ่งที่เรามาเรียนรูนะ้การเรียนธรรมะคือเรียนลงไปที่กายที่ใจของเรานะครั้งหนึ่งคุณหมอวัฒนานะได้ถามหลวงพ่อเทียนตอนที่ท่านเข้าไป รักษามะเร็งในครั้งแรกเนี่ยนะครึ่งตอนนั้นก็ถือว่าอาการหนักพอสมควรนะถามว่าถ้าหลวงพ่อสิ้นไปแล้วเนี่ยจะให้เรียนกับอาจารย์ไหนดีนะอยากจะให้หลวงพ่อเนี่ยได้แนะนําว่าควรจะไปเรียนกับพระรูปไหนครูบาอาจารย์ท่านไหนนะหลวงพ่อเทียนก็ตอบว่าให้เรียนรู้จากตัวเองนะท่านก็ไม่ได้บอกไม่ได้ชี้ว่า ให้ไปเรียนจากคนนู้นคนนี้นะอันนั้นก็คือสิ่งที่ท่านชี้ลงไปเลยว่าการเรียนธรรมะคือเรียนที่กายที่ใจที่ตัวเรากายใจเขาแสดงอะไรออกมาเนี่ยก็ให้เราเห็นนะให้เราเห็นให้เรารู้นะเราอย่าเข้าไปเป็นกับมันอย่างการที่เรามาฝึกเนี่ยนะมาเดินจงกรมมาสร้างจังหวะหรือในกิจวัตรประจําวันเนี่ยเราจะเห็นได้ เห็นชัดๆเลยนะเช่นความปวดความเมื่อยนะความร้อนความเย็นความหิวนะบางคนอาจจะรู้สึกจับไข้เป็นไข่ช่วงนี้อากาศอย่างนี้ น, นั้นเป็นอาการของกายนะที่เขาแสดงออกมาแต่ส่วนใหญ่เนี่ย <c oughs> เราไม่ค่อยสังเกตไม่ค่อยดูมั น, นส่วนใหญ่เราก็จะไป ไม่ชอบใจเช่นมันปวดมันเมื่อยก็ไม่อยากให้มันปวดมันเมื่อยทำไมมันปวดมันเมื่อยอ ย, อย่างนี้อะไรอย่างเนี้ยนะคือเราไม่ไม่ยอมรับความจริงนะไม่ได้เห็นความจริงเราไปคาดคิ ด, าดคาดทะเนหรือไปตั้งความหวังนะตรงนั้นน่ะมันก็เลยทำให้เราทุกข์นะเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันเป็นสิ่งธรมธรมดาธรรมดาเนะเป็นความจริงที่เขาแสดงออกมานะในส่วนของกาย ในส่วนของใจก็เหมือนกันบางคนเนี่ยนะบอกอยู่ที่บ้านเห็นมันคิดอะไรเลยแต่มาปฏิบัติทำไมมันคิดจังเลยโอ้ยคิดฟุ้งซ้านน่าดูเลยนะอะไรก็ไม่รู้คิดจุกคิดจิกคิดไม่จบไม่สิ้นก็ถึงเวลานอนก็ยังคิดใน่ไหมเออมันอะไรกันนักันหนาเนี่ยสงสัยปฏิบัติไม่ถูกแล้วมั้งเนี่ยออบางคนก็ไปคิดอย่างนั้นนะนะอันนั้นเน่ยนาเขามาแสดงให้เราดู แต่พวกเราไม่ค่อยชอบดูนะเราปฏิเสธเราไม่ยอมรับเราไม่ดูมันแล้วก็เข้าไปเป็นกับมันใช่ไหมเช่นมันฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็ไม่อยากมันฟุ้งซ่านเราอยากจะสงบเราอยากจะนิ่งๆนะเราไม่อยากคิดอะไรเลยนะอันนั้นก็เรียกว่าเราไม่ได้เห็นความจริงนะไม่ได้ดูความจริงที่มันแสดงปรากฏออกมาแล้วสังเกตไหมละ่ะ ความฟุ้งซ่านมันไม่ได้ฟุ้งซ่านตลอดหรอกเช่นเราทำไปมันง่วงใช่ไหมตอนง่วงมันก็ไม่คิดใช่ไหมเออแต่พอตอนคิดมันก็ไม่ง่วงเพราะนั้นอันนี้มันเห็นอะไรมันเห็นความแปลปรนเปลี่ยนแปลงอ่ะนาที่มันไม่ได้คงที่คงตัวแล้วมันก็ไม่ได้เป็นไปตามใจเราด้วยเช่นเราไม่อยากจะคิดเนี่ยมันก็ไปห้ามมันไม่ได้เพียงแต่ว่าเรารับรู้สังเกตดูมัน แล้วก็เห็นความเป็นไปของมันน่ะมันแปลปวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไงน่ะเห็นมันเฉยๆดูมันเฉยๆนะแต่ส่วนใหญ่เราดูแล้วมันไม่เฉยอ่ะดิใช่ไหมเช่นความง่วงเนี่ยอ <c oughs> ลำคาญยังทําไมมันง่วงจังอะไรอย่างเงี้ยนะหรือความคิดอ <c oughs> ทําไมมันคิดจังเลยน่ะคิดอะไรก็ไม่รู้น่ะลาคาญตัวเองน่ะอันเนี้ยน่ะเพราะว่าเราไม่ไม่เห็น เราเข้าไปเป็นกับมันเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นปนั้นาธรรมะคือความจริงความจริงที่แสดงปรากฏออกมานะใหม่ๆเนี่ยนะมันจะเห็นสิ่งหยาบๆอย่างนี้ก็แหละนะก็คือเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวนะเห็นใจที่มันคิดมันนึกนะกายที่มันเคลื่อนมันไหวเนี่ยนะตัวนี้เป็นหลักสำคัญนะหลักสำคัญที่จะให้ใจของเราเนี่ยอยู่กับเนื้อกับตัว เพราะฉะนั้นการที่เรามาทำให้มันต่อเนื่องนะทำในรูปแบบโดยเฉพาะคนที่เริ่มต้นใหม่ น, นะจําเป็นตร่องอาศัยรูปแบบนะเดินจงกรมสร้างจังหวะหรือว่าฉวยโอกาสในกิจวัตรประจําวันนะพยายามที่จะกลับมารู้เนื้อรู้ตัวกับสิ่งที่เราทําอยู่เฉพาะหน้านะตรงเนี้นะมันจะทําให้เป็นการเรียกว่าเราความรู้สึกตัวปลุก จะให้ตื่นนะปลุกจิตให้ตื่นขึ้นมาเพราะฉะนั้นวิธีการที่เราฝึกเนี่ยนะมันจะต่างไปจากวิธีการที่เราเคยได้ยินได้ยินได้ฟังมาวิธีการที่ได้ยินได้ฟังมาส่วนใหญ่นะเขาก็จะพยายามให้เราสงบน ะ, ะมีการข่มนะข่มนิวร น, นะให้มันสงบในระดับหนึ่งนะแล้วก็พยายามถอนตัวออกมา นะมาดนะูความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับกายกับใจนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยนะการที่เราไปทำแบบนั้นบางทีกำลังของความรู้สึกตัวของสติเราไม่พอเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็มักจะจมไปอยู่ในความสงบนะหลือึกความนิ่งนะความไม่ต้องคิดอะไรนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันก็มีรสชาตินะรสชาติของความสงบ แตนะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ยนะเราก็อาจจะหลงไปหลงไปกับความสงบความสงบความสบายแตนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เราไม่เดินทางต่อและปัญญามันก็จะไม่เกิดนะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยหนะลวงพ่อเทียนก็พยายามที่จะให้เราหลีกเส้นทางนีนะ้ก็คือไม่ต้องเน้นให้ไปสงบแบบนิ่งไม่ต้องรู้อะไร ให้เราตื่นนะให้เรารู้สึกตัวนะด้วยการเคลื่อนการไหวนะซึ่งอันเนี้ยนะเป็นรูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะของการฝึกจิตในในสิ่งที่ท่านได้นําเสนอได้ค้นพบนะแล้วก็ได้นําเสนอซึ่งวิธีการเนี้ยก็เหมาะสําหรับพวกเรานะที่ต้องทําการทํางานต้องเคลื่อนไหวนะชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ย มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนเป็นสังคมเกษตรกรรมชีวิตเราไปเรื่อยๆนะไม่ไม่รีบร้อนอะไรนะเรามีเวลาที่จะอยู่กับบ้านนะมีเวลานิ่งๆเยอะแต่ว่าชีวิตประจุบันี้มันต้องเคลื่อนมันไหวนะเพราะนั้นการที่เราฝึกนะให้มีสติกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเราก็สามารถที่จะนำไปประยุกหรือนาไปปรับใช้ในชีวิตประจาวันได้นะ แต่แน่นอนแหละทำใหม่ๆเนี่ยมันก็ยากหน่อยเนาะเพราะว่าเราต้องฝืนความเคยชินฝืนความาสิ่งที่เราเคยทำมาก่อนนะเช่นถ้าอากาศอย่างเงี้ยมันนอนแน่ๆหลับสบายแล้วนะเราคงไม่ตื่นม า, าทำนู่นทำนี่นะหรือบางทีก็เราฝึกเราก็ชอบนิ่งๆ น, นะเราไม่ชอบที่จะเคลื่อนไหวบางคนบอกมันมันไม่สงบ นะ้มันวุ่นวายนะเห็นบางคนนั่งยกมือก็ชอบหลับตานะบอกมันลืมตาแล้วมันมันไม่สงบนะเออตรงนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราลืมตาเลยลืมตาทําเคลื่อนไหวให้รู้สึกตัวนะทีนี้ในการฝึกเนี่ยนอกจากเราจะเห็นกายที่มันเคลื่อนมันไหวแล้วเนี่ยนะมันเห็นใจที่มันคิดมันนึกนะแล้ว ใจที่มันคิดมันนึกเนี่ยโอ้โหมันสารพัดเรื่องแหละแล้วสังเกตดูเถอะเรื่องที่มันคิดนะมันไม่ใช่เรื่องอะไรหรอกเรื่องเก่าๆนะบางทีก็เป็นเรื่องทั่เกิสมัยเด็กๆนะมีทั้งสิ่งที่เราทำดีก็มีทำไม่ดีก็มีใหม่ๆเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีอ่ะมันจะผุดขึ้นมาก่อนนะที่เราเคยทำอะไรไม่ดีเอาไว้น่ะมันจะแสดงมันจะปรากฏออกมานะเรก็เพียงแต่รู้มันเฉยๆไม่ต้องไปทำอะไร รู้มันเฉยๆแล้วก็กลับมารู้เนื้อรู้ตัวที่กายเคลื่อนไหวเอากายเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นหลักไว้ก่อ น, นเรียกว่าให้ใจเนี่ยมันมีหลักหรือบางทีก็เรียกว่าให้ใจเนี่ยมันมีที่พักที่พักสําหรับที่จะไม่ให้หลงไปกับความคิดปรุงแต่งต่างๆนานาทีนี้ในการฝึกในช่วงแรกๆเนี่ยมันจะมีอุปสรรคเขาเรียกว่า อุปสรรคที่มาขวางกัน้นนะที่ภาษา <c oughs> ภาษาบาลีก็เรียกว่านิวรณ์แต่ทุกคนต้องเจอนะไม่ว่าวิธีไหนก็ตามนะนิวรณ์ตัวแรกที่เราเห็นเด่นๆ เ, เลยก็คือความง่วงใช่ไหมความง่วงเนี่ยมาชวนให้เราไม่รู้ตัวทีนี้ <c oughs> เมื่อมันเกิดความง่วงขึ้นแล้วเนี่ยเรายอมจำน้นกับมันหรือเปล่าใหม่ๆเนี่ยเราก็อาจจะยัง ไม่รู้เท่าตันนะบางทีเราก็สยบยอมกับมันนะเช่นมันง่วงก็พยายามหลีตาหลับตาลงหายใจเบาๆนะหรือบางคนจะยกมือก็ยกไม่ขึ้นนะบางทีก็ยกค้างไว้ก็มีเหมือนกันนะเรียกว่าโดนความง่วงมันชกเอาเลยนะบางคนก็พยายามฮึดขึ้นมานะเพราะนั้นทําตรงมันข้ามเลยมันพยายามจะหลีตาแล้วลืมตาขึ้น นะมันหายใจเบาๆเราหายใจแรงๆขึ้นมามันพยายามจะนิ่งเราเคลื่อนไหวนะเรียกว่าเราต้องทวนกระแสมันนะตรงนี้ใหม่ๆเนี่ยต้องอาศัยความอดนทนสักนิดหนึ่งนะที่จะไม่ยอมจำนนกับสิ่งที่มาทำให้เราไม่รู้ตัวแลนะอย่างเช่นความง่วงหรือบางคนเนี่ยนั่งยกมือใหม่ๆมันก็ตื่นดี ทำไปทำไปมันซ้ำๆ้ำซากๆมันชักง่วงเออถ้ามันง่วงก็หยดุดสักนิดหนึ่งก็ได้อ้าวสูรลมหายใจเข้าลึกๆนะมองท้องฟ้ามองอะไรโลง่ลงๆนะเออให้มัน t, ปลอดปลงขึ้นหน่อยให้มันสดชื่นขึ้นหน่อยให้มันตื่นตัวขึ้นหน่อยแล้วค่อยทําใหม่นะทีนี้ถ้าทําไปแล้วนั่งอยู่มันก็ไม่ยอมหายนะ <c oughs> ค่อยลุกเดินนะอันนี้ก็แก้าอารมณ์ แก้อารมณ์ในการง่วงเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยเราเอยไปยอมจำนนมันนอกจากความง่วงที่สองก็คือความฟุง้งนซะ่านความฟุ้งซ่านเนี่ยแน่นอนละนะมันมาชวนให้เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่ก่อนเราเคยตามความคิดไปมันคิดอะไรขึ้นมาก็ตามมันไปตะพึดตะพือเลยแต่เมื่อเรามาฝึกเนี่ยเราไม่ตามมันมันคิดอะไรทิ้งไปเลยนะไม่ต้องไปหาเหตุหาผลว่า มันมาจากไหนมันจะไปอย่างไหนทิ้งไปเลยกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวขณะที่ยกมือก็ดีขณะที่เดินก็ดีหรือขณะที่ทาอะไรอยู่ก็ดีล้างหน้าแปลงฝันมันคิดกันมาทิ้งเลยกลับมารู้สึกตัวการทำอย่างนี้เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มพลังความรู้สึกตัวนะให้มีกำลังมากขึ้นแล้วก็เป็นทรนกำลังความคิดนะให้มันอ่อนกาลังลง ใหม่ๆเนี่ยนะมันก็ทิ้งไม่ก็ได้หรอกมันมีเยื่อใหญยมันมีเยื่อใหญ่ <c oughs> เ, หญเรื่องบางเรื่องสําคัญโอ้ยมันคิดอยู่นั่นแหละไม่จบไม่สิ้นสักทีเราจนเราเหนื่อยเราเพลียเรามึนเลยนะก็ไม่เป็นไรนะอันนั้นถือว่าเป็นประสบาการณ์เราได้รู้ได้เห็นมันทําอย่างเงี้ยบ่อยๆซ้ําแล้วซ้ําอีกนะพราะะนั้นความฟุ้งซ่านเนี่ยเราก็แก้ได้นะ โดยการที่ไม่สนใจมันมันคิดกันแบบไม่สนใจเรามาสนใจอยู่ที่การเคลื่อนไหวแล้วไม่ต้องไปรำคาญเขานะอันนี้เป็นของดีนะเป็นของดีที่จะมาให้เรารู้ตัวหลวงพ่อ เ, เทียนใช้คำว่ายิ่งคิดยิ่งรู้นะคิดเท่าไหร่รู้เท่านั้นนะถ้าไม่มีความคิดบางคนก็มีสงสัยเอ๊ะบางทีมันไม่คิดแล้วจะทำยังไงเอ๊ะไม่คิดเราก็รู้ตัวสิใช่ไหม มันไม่จะคิดตลอดเวลาหรอกสังเกตดูดีๆมันมีช่วงว่างช่องว่างเหมือนกันบางทีมันก็ไม่คิดบางทีมันก็คิดเพราะฉะนั้นรู้แต่พุทธะผืออย่างเดียวอะนะไม่ต้องไปหลงเป็นกับความความคิดตัวที่สามนะความสงสัยลังเลนะเอพระพุทธเจ้าสอนอย่างนี้แล้วยกมือสร้างจังหวะเอ้ยมันธรรมดาธรรมดามันไม่น่าจะมีอะไรเลย แล้วพวกเราไปคิดว่าธรร ม, มะนี่มันต้องเป็นเรื่องที่จะต้องโอ้โหใช้ความพยายามมากต้องเป็นเรื่องที่ลึกซึง้งนะมายกมือธรรมดาธรรมดามันจะรู้อะไรนะอันนี้เป็นความสงสัยลังเลบางทีเราก็ไม่ทํำดีกว่าไม่เห็นมันมีอะไรเลยเนะีเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเกินจะไรนะอ้สิ่งธรรมดาธรรมดานีเแหละไมนะที่มันจะนําเข้าไปสู่สิ่งที่มันจะรู้ง ที่ลึกซึ้งที่อยู่ในจิตในใจของเราความรู้สึกตัวหรือสตินะใหม่ๆมันก็เป็นความรู้สึกธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ถ้าเราทาให้มันต่อเนื่องทาให้มันเชื่อมโยงความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะละเอียดอ่อนก็ไปความคิดยิ่งลึกความรู้สึกตัวก็จะลึกตามมันจะพัฒนาไปาเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องอาศัยความเพียรที่จะทำอย่างต่อเนื่อง คาว่าต่อเนื่องในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเรานั่งสร้างจังหวะเดินจงกรมกันทั้งวันนะเออไม่ใช่แต่หมายถึงว่าเมื่อเราไปทํากิจวัตรประจําวันล้างหน้าแปลงฟันเราก็พยายามฉวยโอกาสที่จะรู้สึกตัวทานอาหารนะเราก็รู้สึกตัวในการเคี้ยวในการดื่มในการลิ้มนะตรงนี้นะแล้วเราจะสังเกตดูตรงนี้มันจะมี ปรากฏการณ์ใสิ่งที่เกิดขึ้นในความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงความไม่สามารถอยู่ใน อ, อำนาจบังคับบัญชาได้และสิ่งสําคัญก็คือเราจะเห็นเลยโอกายนี่นะมันนะมันทุกนะมันปวดมันเมื่อยมันเป็นก้อนทุกข์นะแต่ก่อนเราไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้แลนะตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทําให้เราเกิดความเอื่มละอาแลนะเอื่มละอาที่จะไปยึดไปถือไปแบกมันเอาไว้ เพราะฉะนั้นการที่เราเคยได้ยินว่าให้ปล่อยวางปล่อยวางเนี่ยนะไปอ่านหนังสือก็ดีไปฟังธรรมก็ดีมันจะปล่อยวางอย่างไงไปคิดเอาก็ไม่ได้นะเราเห็นด้วยแต่เราทําไม่ได้แต่เมื่อเรามาทําความรู้สึกตัวรู้จักปล่อยรู้จักวางมันคิดอะไรขึ้นมาก็ทิ้งมันเกิดอะไรขึ้นมาก็รู้นะมันปวดมันเมื่อเราก็รู้ไม่ต้องไปราคาญมันแล้วก็สังเกตดูนะ เราเปลี่ยนอริยาบถนิดเดียวนะมันก็หายเลยนะกายเนี่ยความทุกข์ทางกายเนี่ยนะเราแก้ไขด้วยการผ่ผ่อนคลายบรรเทาเปลี่ยนแปลงด้วยความรู้สึกตัวเราจะเห็นแต่จิตเนี่ยนะริัยเนี่ยนะมันสามารถเปลี่ยนได้พริกนะเรียกว่าพลิกตาเลยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะอย่างบางทีเราง่วงเนี่ยนะเพียงแค่เราพยายามทงแรง ตื่นขึ้นมาบางทีมันก็ตื่นขึ้นมาเน่มันพิกพิกได้เลยนะตรงนี้เนะี่ยให้เราสังเกตดูเป็นประสบการณ์เป็นสิ่งที่จะแสดงป ร, กปรากฏเพราะฉะนั้นตัวความสงสัยลังเลเนี่ยนะมันจะแก้ไขด้วยการที่เราเทำบ่อยๆแล้วก็วางไว้ก่อนนะไม่ต้องไปสงสัยลังเลอะไรมากนะนี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งตัวที่สามนะตัวที่สี่นะ ต, นะตัวที่สี่นี่ก็คือความ ไม่ไม่ค่อยพอใจนะความลำคาญนะอย่างเช่นมันง่วงมากๆเราก็ลำคาญนะหรือที่นี่เนยะยุงเยอะนะเออลำคาญยุงองีกอ่ะไม่เอาละไม่ปฏิบัติละกลับไปนอนดีกว่าอะไรอย่างนี้ยนะ ไ, ไปหาอะไรทาดีกว่านะลำคาญมันนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราไม่อยากทำเหมือนกันและตัวสุดท้ายนี่ตัวนี้มาเนียนมากนะบางทีเราไม่ก็เห็นหรอกก็คือความ ความสบายรักสบายนะเรามาฝึกใหม่ๆนะโดยเฉพาะบางคนเนี่ยนะเคยอยู่สบายกินสบายนอนสบายทำอะไรก็ได้ดังด่ ง, ด, งดังใจเนีน่ยนะพอมาที่นี่เนี่ยมันไม่สบายอย่างที่เราเคยเป็นนะมานอนกระดานแข็งๆนะมากินอาหารที่ไม่ถูกปากอ่ะนะหรือบางทีก็ยุงเยอะอะไรอย่างเนี้ยนะ ก็รู้สึกไม่สบายขึ้นมาตรงนี้มันทําให้เราอ่อนแอรประเด็นการติดในความสบายเนี่ยก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าเรารู้จักมันจะกลายเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้เปลี่ยนอุปสรรคเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้จะเป็นความง่วงก็ดีความฟุ้งซ่านก็ดีถ้าเราเข้าใจเราจะมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ได้จากความง่วงที่สุดของความม่วงคือความตื่น นะถ้าเราไม่ยอมจำนวนมันจะตื่นนะมันง่วงเท่าไหร่มันก็ตื่นได้มันไม่ใช่ง่วงตลอดเวลาความฟุ้งซ่านเนี่ยทำให้เรารู้นะเป็นอุปกรณ์การเรียนรู้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราสามารถจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามที่จะแปลงขยะใช่ไหมให้กลายเป็นของมีค่าขึ้นมาหรืออย่างปุ๋ยเนี่ยนะ เป็นของที่เอามาจากมูลสัตว์นะเอามาทำเป็นอาหารให้กับต้นไม้เพระาะฉะนั้น <c oughs> อุปสรรคก็ดีกิเลสตัณหาต่างๆก็ดีเนี่ยเราสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาได้เพราะนั้นกิเลสเนี่ยถ้าเราเข้าใจมาอีกด้านหนึ่งมันเป็นปัญญาได้เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะถ้าเรามีตาในคมคมเราจะเห็นความจริง นะสิ่งเหล่านี้ที่มันแสดงออกมาเหมือนกับนิทานเล่อนสังทองเนี่ยนะนางรจนาเนี่ยเป็นลูกคนที่เจ็ดมองเจาเงาะแล้วเห็นทองอยู่ข้างในนะข้างนอกเป็นรูปเงาะแต่ข้างในเป็นทองนะนี้เ็าเปรียบเทียบอาจารย์โกวิทย์เคยโกวิทเขามานันทะท่านชี้เอาไว้ว่าเนี่ยมันเป็นเหมือนตาในนะที่เรามองอะไรที่มันดูไม่ค่อยสวยงาม อภรรักษ์เนี่ยแต่ข้างในเนี่ยมันมีของจริงนะมันมีของดีอยู่เพระาะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจะเจออารมณ์ที่ไม่เป็นที่น่าพอใจเช่นความม่วความเบื่อความฟุ้งซ่านเราดูดีๆเนี่ยนะเราสามารถที่จะผ่านเข้าไปได้นะอย่างที่หลวงพ่อการเขียนเคยพูดว่าเห็นทุกข์ก็ผลนทุกข์เพระาะฉะนั้นสิ่งที่เรามาปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่สวยหรูอย่างที่เราคิดหรอก มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดหรอกแต่มันเป็นอย่างที่มันเป็นนะเพราะฉะนั้นเรามีทางอย่างเดียวคือมีสติมีปัญญาเห็นความจริงแล้วไม่ต้องไปวาดหวังว่ามันเป็นอย่างที่เราคิดยอมรับความจริงที่มันเป็นนะตรงเนี้ยมันก็จะทำให้การเดินทางของเราเนี่ยสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะเหมือนถ้าใครเคยอ่านหรือดูหนังเรื่องไซอิ๋วเนี่ย การเดินทางไปเมืองไซทีของพระถังซัมจังต้องเจอปีสัตว์มากมายที่เราปฏิบัติก็เจอใช่ไหมก็คืออารมณ์ต่างๆนั่นแหละเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะมันก็จะนำไปสูนะ่ความที่เราตื่นรู้แล้วเราก็ผ่านพ้นอุปสรรคไปไดนะ้ไปพบกับสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นปกติของจิตใจของเรานะซึ่งตรงนั้นเป็นความสุข นาที่มีอยู่แล้วในจิตในใจของเรานาเรียกว่าสันติสุขสันติภาพนาที่จะมีอยู่ในจิตในใจนาเป็นความสงบสุขนาที่เกิดจากการผ่านอุปสรรคต่างๆนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในเช้าวันนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนาก็หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติต่ตอไปในท้ายที่สุดนี้ก็ของอ้างอิงเอาคุณของพระเีรัตนไตร แล้วก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็คือสติสัมปชัญญะที่มีอยู่ในตัวเราพระธรรมคือสัจธรรมความจริงที่แสดงปรากฏออกมาทั้งที่กายที่ใจแล้วก็ภายนอกนนสภาพแวดล้อมต่างๆที่เป็นธรรมชาติที่เขาแสดงตัวออกมาพระสงฆ์ก็คือการประพฤติปฏิบัตินาด้วยสติด้วยปัญญานาด้วยความเพียรพยายาม